อยากเห็นแล้วว่าอยาเห็นอยากสร้างแต่ก้อนสีเงาฉะนั้นพออยากเห็นอยากสร้างมันจะสบายบอกไปเต๋อหน่อยดีเห็นมาจะกำหนดบวชบุได้จิตสังขารยุ่งง นีด่วนขาด่วนหัวปตาบอดอะไรเยวะบอสสมตะเกาะเห็นไหมบวดใตั้งเก็บโอเคงั้นนี่น้อยบวชเจ็นนักขนาดนี้เลยอุปาชอาจารย์ฉนสอหนักตรงนี้จะได้ยินยังหรอ แลมันเกิดเป็นหอยไฟ กุ้งก็ไม่หมมือนแค่ต้องกุ้งบาบ้าหมดกุ้งก็จะกับพ่อบุญพ่อคุศลแบบนี้แไีม่อคนมีคนบุญกินคนคุ้มแม้วัดแม่ว่าก็ตายไปคุณดีตายคุณไหนล่ย่างกเบชาว่านเน่ ผู้ดียี่อยากได้เมื่อว่าสังเมนุษย์มันเป็นการสืบเกยดมนุษย์ตงเหียเหรอนว่านเศ้าอยู่ที่รูปสาวนี่ยังไงจำของเขาหน่อยจะดี มันเ็นไหมบุตรที่เจนมันจะเกิดจริงหรืออมาทำมาสิ่งทั้งยังไรได้ ที่านเวถามาคดีในั้งมาอยู่นึ่งจีบก็ปีลวาอายุเรื่อยๆเชิผู้เ้าผมจัว่าเฝ้าเรื่องเอียงใส่ผู้ตังจะจับมันดีกลนด้วเคื่อนลงหรือเราะอะไรเรื่องในเล่าอีกย่งฉันมยากวันี่างสีรักษาปัญหาเนีะสอกจะโรมาใส่เนี่ยผู้เฝาผู้เฝ้าีบไปผู้ังจะจับจังได เดี๋ยวนี้เวลาทีทมาแล้วเท่กันกันก็จะผ่าฟันหัวกบมือโอ้ยว่ะต้องชี้าดเหรอด้อมาทำม้วโอ้กูเพ่นขยันวขยันปา่หตมันีานอ ได้ปประโยชน์บางเหมือนกับใครนี่นี่มันบอกไปาหมดประโยชน์งเพราะมันเก่าอยู่เสมอไปั่้นกัตุศามีหูมีตาคือเป็พุทธเจ้าพุาคีสายการุดมากับคนคนใส่เนื้อใแบบใ ว่านัทนทำาะไรชนิดใดไปพูดให้จิตเจเจิญประโยชน์พขาก็ใช้เก่าเึ้นมองเห็นมีไปย่างจากเกศในเขาไท่เดินรันไปเทศดสอนไปพูดไปจ่าสารที่ใดคนทั่วไปที่ได้รับเราฟังได้รับประโยชน์ถูกจะดีนิดใส่เพียงไปยาง โดยเฉพาสมฐานสองโลกยานอมปักาแล้วตงไปให้กินให้ดือมันต่ไปหายไปโรไข้นี่บุญดีจัดอันไหนั่เอาไหนมารักษากันป้วยผู้ป่วอยู่แล้วมันป่วยนอด้ป่วยกันขานได้นอนหลับได้ภาวนาบ่ได้ จิตอันไม่ไห้ปันสังจะปล่อยเยินร่วงสมจิตหย่อเพราะว่าหน้ารักษาินรักษาใจรักษาบ่เป็นบ่ไปบ่ดีบ่งามฮะการบ่ธารมะถรรมโมเป็นจะนขี้เกียจที้ทางมันบ่มีสองข้างบ่เคยเหรอคนเราคนนั้นคนนี้เรามีห่จักหย่องเล่าสิบางมันก็ยัง่อ คือไตยันคือไต่ก็เพราะใจอยาค้นไข่ไปไปเหรอินใสมันก็ยืดหยุ่นนั่งไยังไยันแบบจินยจินยานี่ยเอยาในรักษาแต่ามีองางหายหมอแบโดดหนีเขาน่ออยู่บไว้ไขมันนัดเขาไปเรื่อย สอนแสสอนคนกับชาวนเดียวกันนำบาตอยากเย็นยะเืขาสอนนักเรียนอย่างสอบใดกันนำกันนีสงไปสอนอันอื่นัการก็ยังให้ผู้จักถากอยต่างๆนานาเขลสอนกันกีวันกีบเรียนกันู่จักเกดทด ส่วนช้อนเทวนรู้สึกว่าน่าลายกะสิอู่จัส่วนสาเหตุน่าวันขยันมันเขียนข้ามต่ำข้ามแน่สิสอนมันก็ยังใช้อยู่ดอกนันบอคิดเกี่ยวกับแฉะใช้เปลี่ยนแสงมีสายเปลี่ยนแสงความจิต้อมผู ก we ็จะฟ้องในทางทุกทางจะงบหาทยิ่งแต่งจะปล่อยมันเลื่อยไปไปไปตามอารมณ์สั้่ยงเนี่ยักวดรวเราอ่ะามิงทาจังเพื่อก็มุ่งวางฝนถูกเหมนีอ่น่อมันมามา ไปเจ้ามาจับสรูปจีเหมือนกีแสนองสมบูรณดไปสิขอสัตว์โลกผู้ที่มืดบอดมันหลายผู้ที่มีหูตามต่ว่างจะไว้กัคล้ยเด็กจับสรูปไปฝนทุกไปผู้ที่ยังมืดบอดอยู่กับง่อมอยู่เรื่อยไปโลกกันตายในโลกในโลกมืดคือหัวเข่าเนี่ยมืดร้าย ถ้าคิด่อจันกับว่าซองถึงถ้า้ำถาวี่น้อยกับ่าซองถึงคิดใจอันได้คิดอันได้ถูกอันได้ดีอันได้ตัวเป็นโมโหจับว่าสีไปใสเส้นไม้ไปทาง้องการสิไปไปเปนถูกถนนนอนทางเรื่อยไหมหรือมันววกว้นในสถานที่ใดเมื่อนิดปิดตาเลยจัว่า จึงได้ดีได้ตัวจึงได้ติดจึงได้ถูกเข้าไปเข้าพวกเขาจังไฟอยู่จับโลกันตายนรกมันมืดมืดในจิตในใจมัวจับว่าสิตายมัวใดมัวจับว่าเสื่อมโลกให้ย่างใดมัวจัว่าตายไปแล้วสิไปอยู่สมา่าทใดจั้งนั้น ทังหนือก็บรุกหัจักทางล่างก็บรุกหจักไปจุบ้นก็บรุกหจักมือมันมืดมันบอดเหยียบโลกกันตายนโลกบรุกหัวจักยึดใจของเจ้าของเองเชื่อมมันเจริญมันดีมันช่วยงไรบุ่กหัจักข้างในบรุหัวจักมันมืดมันบอดนี่ำมันจะส้างขไปบถึง จงเขาไปว่ถึงความสว่างสวัยเขาไปถึงจิตถึงใจให้ไอ้คิดอัเนี้ถูกมั้ก็มองเห็นว่าได้คือกันก็เออตาเหมือดตาบอดเดินตามถนนท่ามันก็บอเห็นวันไดคขวัญีกเยนวันไหนวัไปตกหลุมตกว่าเอ้าตกหลุมตัวนี้เหรอจำไปรูปตอนตกคุณโดนหัวต่อก็าจำไปหรือจักวะ โดนหัวต่อคือมันบอดมันมืองอมไปท้าไปจับอันไดนเช็นอันไหอย่างทำยึดข้ามใจให้มันสว่างสบายท่านจท่านใจให้มันมีสติปัญญาเขาข้ามไปเขามันรักษา ว่าเป็นไฟของจิตของใจที่มันแค่เมื่อยแค่บอดไม่ค่อยสว่างสวายให้ทีสังเกตคนตามัวเนี่ยเราอายุต้อยยะไหหยอดมารักษาไม่คอยสว่างสอย่าั้นสว่างหรือไม่เห็นถนนคนขางดูชัดอันนั้นดำอันนี้แดงอันนี้เท้อันนั้นเคียว อันไหนต้งวนบสงวนมันก็รู้จักตามันเห็นนันบรเห็นอันใดมันมืยไปเรื่อยเรื่อยมันมั่วแล้วมันก็เมื่อมันก็บอดมันบอดมันก็รู้จักที่นนข้างอยู่นใดของโปอกโซ่มขนาดใดมันก็นั่งได้เหยียบได้ของสิเป็นเป็นไพนาผัวปนด้มันก็เหยียบได้ จับได้เพราะมันูจักมันเห็นเขาทัสด็จดังแต่จะมันเห็นมจทั้งไห่วหนางหวงหลังหั่งตาันมองเห็นีเหาที่นมาวจิตใจกทนองเียวัจะมันโกรธไม่จะเหยียดอันดจะมันหลบมันหลงไม่จะเหียดอันใดแมีกไ ใจันบ่มีแสงสว่างหรยามจิตอุดมจิตใจพรรภาวันเจ้าหอมรักษาศีลตังธรรมตั้งจิตตั้งใจของเจ้าของน่แห่ะถูกจียนถูกย่างหักเขามีเศรษีเขามีปัญญามันเก็นธรรมะทั้งนั้น มันเป็นแสดงออกไปเว้าวสร้างจริงๆเป็นการฟั้งถ้ำสร้งอยู่ในจิตในใจของตัวมันตัวมันดีมันเกิดกลินนอะมันเกิดกลินจากที่อื่นหลับรวบมันเกิดกลิ่นกรดมันเกิดกลินโลงมันเกิดกลิ่นมันกลินจากพัใจจากภายในผมมีเสกจีเป็นเงาหลักสายแจกไข่ตั้งแต่ทุกในตุโฉดดเรื่อยไป นี่เศปาแจไสร้างมันเกขมายางอย่แล้วิแไขยางไรใส่เปนเาหนใส่ป็าปะัปะหนมันจะค่อยเบาค่อยบางไปเรามีถ้ำในจิตในใจคนามันที่การาบบึกสอรมตัวเอง ธรรมชาติต้องชี้กันบอว่ า, วาปล่อยเถดได้เมืองได้สาสตรได้เกิดมาของธรรมชาติแข่ ง, งมันเหมือนกันมดยังหัวรอรองหอยมันเหมือนกันจะทำสมมติปวดใจเป็นไปอีกอย่างนึงการเสียใจดีใจจะเดาออกมาถ้าเดียวกันทั้งนั้นเราพิดกันธรรมชาติ ยิ่งจังมันเป็นยางนั่นแต่ีมันตู้มันสลัดกันอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติอ่านหนงือออกเขียนงือได้บวกรบขหารเป็นพออาศัยการศึกษาเราเรียนเราใช้ใจตั้งใจฝึกตั้งใจทำเพื่อความใจในรง่านั้น นั่นจะเไปเกิดมาไม่หม่มผู้ใดบวกลบพูนหารใดโมนผู้ใดเขียนน้องเขียนน้องือเป็นนการแาบเช่นด่านจิตใจกับทาน้องเดียวกันคนเกิดมาแตีราชาตันแหนี่ีหล็หองหุ่มจิตใจเดกันมาทั้งนั้นแต่ผู้เพ่นเบาบางหมดจดจากชีเหลไปกัพเพื่อนต่างใจเพื่อปฏิบัต สังเกตเหตุการณ์อย่างต่างต่งนัน่ะแก้ไขโดยเสดจิโดยปัญญาของคนจึงได้เป็นถูกเป็นผิดเหตุผลย่ำนักหานคิดใจบหชคิดให้พุงบห้ปากไปผ th like <tit> ูดบวชกายไปท่ำไม่จ <en> ริงน <ia> uh ัก <en> มันสัวมันเสียท่ำเหล้วจำติดตามสนองตัวของตัวแกเกิดความ ถูกร้อนยิตกตังวนว่าบวชสงวนจะไปทถาำยางเนี่ยจะไปการใดสมัยใดจิตใจมันเดือดร้อนหุ่นวหวเห็นไหมจังแห่หมไว่ายนรกมันเผาปัจจุบันจริไงไรที่มันบวชเป็นศัสเป็นถ้าใหา้เป็นวันนรกด้วความเดือดร้อนมันบวร้อนในวันอื่นดอก มันตกดีแต um hmm, yeah. ่ย mm ัง hmm. บ้นตายพีละตกนรกหลบไหลขวดไหลหลงหลตกนรกลุมใหญ่ได้ทุกมากกูได้แกไขจิตใจองตัวฝนจากช่วจากเสียท่ามจกันดีดีท้ามไปแล้วคนอื่นเขาก็สรงลาเสิตนเองระลกนึกถึงตามไดลาดใจกับเบิกบานได้ก สบายมันจะเป็นสวรรค์คือคิดใจของเ้อมันเบิกบานมันเบามันสบายมันบกรรนี้ตัวเองบรเกียใจระเสือดมากเบร่่มจงีชั่วขดจิงจีชั่วมนันเรมีความชั่วิใจของชัวมันเบิกบานคิตใจของชัวมันฟองใสจิตใจของชัวมัน อยาเย็นเป็นสุขเป็นก็เป็นสวรรค์สุขทันติมความสุ ข, สขจะเป็นเพราะเจ้าตัวเองก่มม ên, อสิ่งท่ำสิ่นบ่มันคนอ่นก่อโกยมั่งห่อย่งทุกโทษหรือเหลี่ยงความดีทั่วไปโดยตัวใหญ่มันเกิดสิ่นจากเจ้าของ ส่วนคนอื่นภายนอกมันเป็นเรื่องผิดคลอยได้นิ่งๆ ห, หน่อยไปเท่านั้นส่วนใจของตัวให่ความ่วยใจัวยนั้นมากกว่าคนอื่นสิแม้คนถูกคนโทษมาให้เป็นไหเราว่างรักษาสายรักษาวาา่าใจรักษาใจทําไปนั่นเองผี่ถูกผิดกวน ถึงอาจถึงถท่าม จ, จิตพุทธเจ้าสอนมีความแจ็ความเจ็บ ค, ความตายเป็นท่าม้ดามีตามแพทย์แพทย์จากท้องรักท้องจะเริ่มใจมีตามเป็นท้องท้องตนมีตามเป็นผู้ห้อยฝนมีตามเป็นเดือนเกิดมีตามเป็นผู้จิดตามให้สวดไปมันถูกแล้วมันแมนแล้วขันที่แจ้งหน้าห้อจิตมันแมนมันถูก เราสี่อยู่ในอียา์วดได้เราสี่ไปสถานที่ใดความเจียมันตามไปทุกระยะทุกเวล่าอย่านั่งเพราะว่าหนาเรืองถิ่นท่ำจร่งสี่เสียวสาเสียหายความเจียมันเกิตามอยู่ยางนั่นหอยฝนอยู่ยางนั่นความเจ็บความตายของทั้งนอ้องเดียวกันความเจ็บได้ตายได้จริงสี่เป็นหมอเยี่ยนเ ม, ม่าจบตริ่งยากอีก ดอกเตยดอกหมาทั rate, the ้งเล็กมาตามแหลรักษาสัววัวได้ไม่ควรจากไข่จากนาำฝนที่ชุกก่จะไปถึงถึงความตายเดียวกันทั้งนั่นบเมืูอได้มีอายุถึงพันถึงหมื่นปีเหยื่อถ่าขันมันเป็นของแต่ปวนเยื่อแฝงไปอยู่อย่างแน่นเหมาะทราบย่างนั่นเป็นธรรมดาแล้วเมื่อมันเกิดนี่แม่เข้ากับวัววันไหวก็ขอใจ มันไหนก่อนว่ามันเป็นยังนั่นจริงจังว่ามีช่างกิจะยอะไรยารักษาพระพุทธเจ้าผู้เชืว่าครับย์จะท่ า, ทาเป็นความจริงหรือเทวพูตผู้บอกยังเทวดาเขานัากก่งมาสอนจิตสอนใจของเขาเห็นมันรู้แจ้งเข้าใจจริงในจริงเหล่านี้ความโลภอยากได้ เกินเกินเหตุเกินผลเกินประมาณนะเองทำเองโมได้แต่ยักนักชกฝนจีโลบเอาของคนอื่นไปเนี่ยมันเป็นยางนั่นได้มากมันโมแมงกีดด้ได้มาอยู่ขำฝั่งสายของเฮ้ามันตายไปแล้วมันท่าขาดไปหมด เมื่านฉันแต่สมบัติข่ายนอกสมบัติ่ายในคือเหนื่อยนั่งเอ็นกระดูกแล้วก็จะต้องจากมันใสเอาไปบัได้จิงเี่นควนชนสบายใส่หน้าเหยียบสวนเงี้ย่องฟองใสถูกกินคืออยางไสหจากมันไปหนีมันไปแต่มันยั่งอยู่มึงพูได้หพูได้หิวพได้แดกพูได้คนพูได้หรือไปได้ นั่ไปดัดสมบัติของโลกนักเท้าโลกพ้นสีโลกสีหลงขนาดใดก็เอาไปบวชดัดจักว่ า, าเป็นของใสในหมนื่นี้ทีวตเป็นอยู่กต่ใสมันใสอย่าให้มันทับยิตทับใจตัวเขาเองที่ภูมิท่ำนานทีนี้ที่แกหน้าไปห้องสิเดละเลยจากมันไสต้อมโลภที่มันนี่ใน ใ, นใจมันค็อค่อยโต๊กไป มดใสพอมันได้มาหามาขนาดดหวงหนขนาดดก็เอาไปบวได้เมื่อมันเอาไปบวได้พร้อมรบอยากได้กระยับขงใจใจอยากลยก็เอาไปนั่บวชได้ตั้งตรุปเนขอบเหตุเกนเหตุกนผลย่างไดก่ีทงี่จะซอนใจงตัว เดาบางลงไปือการย้ายน่ธรรมะสื à, ่พระพุทธเจ้าเ่อนสอนแจกไขใจดอางนั้นคอยเบาคอยางไปตาีมันเหนื่อยมันบอดมันสีสว่างสวัยเลยอาศัยอัดถ้ำใส่ข้ามันเื่อยมนบ่ อันไหนเห็นอันไหนก็ยังใช้ยางได้ได้แต่มันเอาไปได้ไหมมันจริงเขามันเป็นยางไหลเข้าไปเห็นอนอื่นสิเขาหลมหายตายจากไปน้ำมันไหนไปได้เลากับขางนอกเยียวยามันมีสิไรทีน้ำไปได้ของในโลกอันนี้จไปลบเนเหียดเนฝนพระพุทธเจ้าบ๊วยสอนในคนโลก ไหละเื่อความโลภจะบวสอนในคนเจ็ดธาตุในขยันมันเทียนทำเื่อความสุจวิตได้มาเรื่อความสุจวิตเราก็รู้ว่าสิ่งเ้านั้นเป็นของใชเมาเป็อง้องตัวจิตใจมันรู้มันเคาใจความใดทีแล้ว ต่างลงไปทํามลงไปตามนั่นครับจิตตามขนองส่วนของเข้าบ่แม่เข่ขงมันตามขนองตามจิท่ามส่วมันก็ตามขนองตามิท่าดีมันก็ตามขนองตอนนี้ตามเป็นของของตนจะเกิดมาจนกระทั่งป่นนี้ฮทํามตามดีขนาดใดนี่อะไบ้างไอ้ิตอานรือไห ตัวตายไปยังสิบเอขวบไ ม, มนหมดท่านเด็ดสามตัวต่เไยถาไไ้ามันใดเวลาเดปลคอยวะมันไปหรือไม่มันก็ต้องคิดเพื่อบอกรบพ้นหานกันวายัางนั่นมันก็บอกหูกจัดระยาจิตไปจะยะจิไปจิตควนดีตอนไดสิตายมากจนว่าเขาหน้า ด, ด, ด้วยแม่พู้โทษผู้โทษแล้อจะอยู่ดีดี บอกเลีวซอนเหล่ามันก็ว่าเอาห่างมน้าป้่อยแะไว่าปันกันก็หนังเวลาภาวนาหาความทุกข้ของใจแบ่วให้ไฟใหฝันให้มันจิตมันอ่านมันซุกมันสอมเอาไว้เราหมีกรรมเป็นท้องท้องตนกรรมเป็นผู้ให้ผล เดือดเดือดพเรื่อง้องต่ำหาทําม้าคนอื่นหามาให้หาท่าต่ำชัวไว้ต่ำชัวกันขนแจเฮ้าอาบุเช่ทํามไว้ต้องโบเกยขนแหงบางแขนบางคนอาบุเดทํามัวทําเสยอันใดธรรมะเป็นยาหนังมเป็นยางนีเขาเอากัน ศาตร์มัมันบ่ทถัเก่าวนมัน่ทำไงมันจะเป็นรับความสกความเสียยังนั่นเามันเหมือนกันกับมาไลเนือมันทาเวลาไดมันตัดเวลานกรรมเสียเาต่างเขาทก็ทําน้องเยวกันทำดีดี๋ดีทาชั่วดีชั่วแต่มันเรียกวันชาติต่างกัน ที่กันก็ปลูกวมงใหม่บางทิ้งบางย่างไปลูกทีนี่ก็ได้จิ้มปีนี้กี่บุเชื้อเ่าก็ามปลูกทีนี่ร้ายๆสียะในจินมแต่มันก็ยิ่ดอกออกผลขันต้นมันย่งทุกศาสาทั้ง่งห้องเกษตรได้รับผลสัดที่ห้องถ้ำไว้ถึงบ่เห็น ไปจักตาในีัยไปจูบันต่อไปทางหนามันอกิไประสบพบเห็นหายเพราว่ากรรมดีกรรมัวส่วนใดสี่ท่ามไหวจักว่ากรรมตัวมันเป็นคิดเป็นไท่ให้ชูให้ถอดแก้ตัวกับไทรยามละจากกรรมตัวนะครับการทำการพูดการคิดจริงๆตัวมันคิดมันเป็นคิดเป็นไท่ เ <c oughs> ิ็นทีดีพยายา ม, มนคับบงังฝ้าจิตใจเห้ายายท้ำเหงายาจะพูดคือคนรักษาตัวหเหลี่ยนตัวท่ำดีมันจิอยางนี่ยหลวท่านเเหลื่ยม้องมัน่นเอาความหลงความตายต้องทับไลมากทุกฝานทุกไรยากทุกเวราเอ้ามานั่งดูหนิ ตายไปแล้วหลายหน้าที่หลายวิหน้าที่เข้าไปซุ่มวงล่ะคนตายมันวไก่เข้ามาไก่เข้ามาือกระป๋อเดินไปคือช้มาใจทางเข่าไปเ่าไาด้ังไก่นตายเข้าไปเ่านะ่หายใจออ ก, กันใส่ไก่หายใจเขามัในใ่กเล่าวารีบอควายผู้ใ ไหลไปตามหน้าผีท้องมันเข้ากับท่านน้องเยวกันโมเมนต์อียูสั่มฟาเรามื่อนึงเรามือนึงเรามันสิตายเราเลยจ้ายางนั่งทำดียังบม่ทันนี่ในตัวยางไหก็ปดีกอดค่วยกับท่ามอมเทนเอาอย่าไปจิดว่าคนหนีเอายวหายคนหนี้เสียวหาย เอามาภาวานาไหมจำสี่งนะท่ า, าความดีความดีฮะแต่ท่มอันใดแน่อย่จะเศร้ามเจนทำขนาดนี้มีความดีอันใดสิปฏาบัตใจสิละสาร ง, งานบานส่องมาต่ลวันตละลวั น, ว น, วนจิตจิตแดนหน้านะความดีนันยังว่านี่กรีดปอบพวยแตท่ามเอา อันนี้แหละก็รักษามันไวนนคือว่าคูมาสร้างความดีบาคูมาหาความดีเกิดยากได้เกิดเป็นมนุษย์พอมันเกิดง่ายหยุดตสวมนุษสตปฏิราพวกมันบาทนี่ลาดแต่ในมาเกิดเวราะสัตว์อื่นมันมากแต่มันเกิดง่ายเพราว่าถ้าหมันกันได้งว่วงควายมูหมา เกิดกายกบเกิดเกิดสีหนึ่งหนึ่องหนึ่งหนึ่งเป็นตันๆคนเฮ้ามันบางคนก็บอกมีหลูมมีเต้ามีแม่เนี่ยก้ะลาบากลำข้างเลี้ยงโบไว้ข้ามหมันกันไว้เด๋ยมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต้องสิดเกิญยาอยูได้คนมันหล่นโลกเกิดเป็นเทวดาผูกไอุญเบ็ดกิเลสตัณหาเกิดสวรรค์สันฝวา มีความทุกขความสบายมากไม้กวาัว ม, มานุษย์หลายเห็นว่าเซลล์วัตเซลวาดาวคุยถืออยู่เบื้องบนเหม็นหลายเชียงโยดนึงก็ยังถูกกินแหละถูกกินมนุษย์ความเนาความเหม็นวายอย่างมาใสเพราวฟังก์ชันก็ข้นถี่ทำลายหลางใจตาแางตง่งแ่งชัวสวยงามแล้ววายอยากลงในสวน่วนใน ขังยะขชกปกโสมมอมยางเนี่ยเทวดาเรอยากลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าน้องเหียวกันพอเห็นว่ามนุษย์มันเนา่ามันเหม็นมันเป็นของป ร, ร ก, กูนเราอยากมาไก่มาเยาาหยียบเทวดายแงราูดทีเดี๋วเกิดเป็นเทวดาเดีย๋ยวมันชุกมันสบาย ตำรตำล่าส yeah, ีบเรื่องเก่าไว้เกี่ยวกับเทวดาเทวบุตรบุตรสังอยู่ถ้ำฉินเหมือนมนุษย์เท่าทุกเสียงทุกยางบาดนะเสียงใดเสียงหนึ่งไกลมากเกิดมากเดี๋ยวอานาจบาดชนะบุญตรรมสี่สังไว้คนดีเท่านั้นเดี๋ยไปเกิดเป็นเทวดาคนชั่วจ่าราโมกคนโป๊ะโป๊ะโซ่โม่คนบาดเนื ปัญญาหนาบโบมีทางใส้น้ำตาเป็นเลือดแต่มีท่างเสด็ไปเกิดเป็นเทวดาคนที่นีสด็ปัญญามีความมีวินัยมีวีอดสป่าในใจเลยตายไปเสด็เกิดเสด็จไปเกิดแต่ความชุกความสบายในชีวิตม้แต่สบายหลายเกิดแต่โบเเกิดในถ่องในขั้นโบไดจมหมู่ชมขู่ชม เลือดจมหนังน้องยางเข้า น, ในใี่ยังมาเกิดเจ้าให้เขในใส่ต้องทุกข์เนี่ยลำบากลำช้าในช่องเลี่าายเข้าใหญ่สิหน้าออกจากาาาชอา่องช่องแม่มาหล้หนังขดๆหนังว่าหนังควายหนังต่างสิสยวยใหญ่ๆโตๆมัคุ้มไปวลุงด้วยสิพ่อยีชัวโมงมันจะตายท่าน มีกรของเฮ้ า, า, า, า, ามันบาดย้อในสอาจจะขาดขาดตนย้อวนทุกข์ยากลำบากต้องกายู้อได้ขอกรรมเกิดมันเกินเงาลาบากลำข้ามยู้อในทองใสนสเพราะว่าทุกหลายกูสี่เพื่ น, นที่เจริญหน้าหว่ามันคงง่ายสบายบนจะ น, นั่ง ขับอาหารเตาหัวกรเทินแต่พออาหารไม่หัวดันดํากพาว่าจิตกวายยังสุดทีจิหัวคนแต่พออาหารของแม่มันขับมันสึงหัวเด็กหนอเกิดมาออกมาไม่ไมเห็เนเห็บนบวเน่เนยหยาบนีิดเป็นพูเนิดเนมไม่ก็ว่าจจับจต้องตัว น่าหนาลังเกียจแล้วอันใดจ่ออันใดจั๊กไขจักมันจักน้ำเรืองเต็มน้าเหนือน้าตัวตงออกมามัาหนาลังเกียจมันมนตของสวยของงามโมเมนต้กงเง้กท่องเนี่เป็ น, อ น, อนขอ ง, ง, ของปฏิกูลอกมากสั่เลยยแ้แ้มันอย่างมันทุกข์มันเจ็บมันปวด จากส่องแฉบแฉบเพราะมันกันกับใส่ต่างออกจากส่องหิเจ็บแฉบมันเจ็บมันปวดความมันสิรุสิโลนมาได้มันเจ็บมันเจ้างอ่อเจ้าง่ายแ้แ้ยนักเศรษฐีบอแม่บุกเคยสอนนามันเจ็บมันปวดมันไหายเพราะมันทุกข์มันลำบากเวลาออกมาเนี่ยอ่อนอ่นบางบางบุกเคยนี่อันใดถูกส่อง ผูควนไปจับไปรูปไปถ้ำมันกเสบไปเจ็บกระปวดตกออกใส่ส่องขอดไหสูที่ธรรมดาเหมือนคนตกเขียวมันตกใจมันลาบากลำช้านขนาดใดญ่นาีเจ้หน้าแหละมันบ่นของายการเสการสายมันลาบาก แต่เพิ่งจะคิดว่ามานุษย์เขาเป็นาราสตร์สูงเพราะเขาเอาเองจะสูงแบบได้ละคิดใจมันสูงด โ, ดโดยอาจจะถ้ำยังคิดเกว่าสูงได้คิดใจมันจำทราบเรื่องทราบมันก็ว่าสูงหายคิดใจเลียวไหลยิงกว่าศาสตร์มนุษย์บางพวกบางคนศาสตเห็นมันคือไวยักษ์มากแล้วตัวแลนลูกมหลุ่กล้น ฟาเขยิ่งเขงาปฟาซัดหน้าเหมือนแบบที่ยิงไตามจะเสียลบดีเพราะซัดอันนี้มันหยาดมันกลัวมนุษย์นี่มันตั่วมันเสียยิ่งกว่าซัดทั่วไปมนุษย์ตีใจตใจามใจซ้ามันเป็นอย่างนั่นเพราะฉะนั้นซัดมันแจ้ง่างมันเสอยวไงยะมันบอกเสว่ า, ามนุษย์ใจสูง มนุษย์ดีมนุษย์เด่นด้วยดีสถานที่เด็ก็นั่มเบียดเบียนมันน้ําข่านัําแจงมั่นมันแจงหยาดแจงกลัวมันเคยหลอดตายมาหลายขังหลายหนวแหละมันจจงอยาดมันบ่ดีอกดีใจได้เห็นมนุษย์เฮ้าเห็นว่ามนุษย์เป็นศาสตร์แต่เศษมนุษย์เป็นศาสตร์ชุ้งซุดมนุษย์เป็นศาสตร์ทีวิเศษมีเฮ้าสมมุติเอาเองแคก็วิเศษไปเกิดจริง สำหรับผู้ที่นี่จิตใจสูงนีจิตใจเป็นมนุษย์จริงจังจิตใจของมนุษย์สมนี้มนุษย์ศัตรุมมนุษย์ศัตร่มที่เป็นกาวไว้สุดกายสุจริตวัีสุจริตมนษยสุดจริตตายกรรมสามอย่างที่เป็นลาบขาทัดครบ หลักของเขาบ่พดคิดในตามเยีายวว่าสายสุจริตไวจีสุจริตบ่ฝุดโกหกโคลงบ่ฝุดซอเสียบ่ฝุดท่ำหยาบบ่ฝุดเลี้วไหลไ่ประโยชน์ฝุดแ่สิ่งที่เป็นจริงมโนสุจริตวัชิ อาฆาตคนอื่นเหยียบเบียนคนอื่นทัพอื่นบวเห็นคิดจากทํานองคล้องถ้ำนี่เป็นวามนุษย์เสรถ้ำโกฏินี่มนุษย์เสรถ้ำยางนี่บมเพ็ญชุนง่ามความดีได้ปาจฉนาเป็นพระพุทธเจ้าพระสัจเจจะได้ทุกปัจฉนาตั้จับทับไ ห, หลยืดตั้หาภายในใเป็นพระอรหรันตอรหรันต ให้ชาตปัจจุบันก็นได้พอเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์แท้เป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ดูคุณณธรรมของมนุษย์คนมนุษย์สิตอมสาสาม่านยังปวกเข่าป่าถนาเท่าไดมันก็โบกเป็นไปงหาเพราะปวดคุ่นตายใจวอดัอวดว่าหายหลบไหมปวดหาหลงขาดมโฉมสีจิตใจอยู่ย่ังนั่นสร้างเกลียดสร้างท้าปันได้ต้องจบเขาไป ตัวคตัวใจให้มันไหลออกมนุษย์แบบนี้นี่มากเท่าไดเมื่อกวมเดี๋ยรับความสุขความสบายบนม่มันุษย์ปรเสิฐ่มนุษย์วิเศษมนุษย์เตมนุษย์ผีความดีบ่ได้เท่ากับตวตาที่เจ้าน่ะเทาัเป็นมนุษย์ประเสริไดเป็นมนุษย์โสดมนุษย แฟโว่ลือเป็นมนุษย์แต่เฟตัวเป็นมนุษย์ซาตินสานโอ้มหลายประเทศมนุษย์ตัดีเกตาที่แจหน้าพมะพุใช้สเจ้าพระสาวอกเพลิงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละแต่มีที่เด็ดตันหาเหมือนจันกร์กระหูกเข่าเจ็นใส่ย่ามปัดเตาพยายามําจัดกินผีชัวสามารถออกไปจากกายจากใจของเพน เหอนถูกเนถอดเห็นไข่ในฐานเรียนหวใเิดห้าวัอย่างนั่นมันเหนอดเห็นอีหงเดมาแล้วาตัวดีาจะนดีบนใดมันมีอใดีมีเศษื้นว่าดีมีเศษเยอะขอนั่นมอนกเจีนไปว่ได้ นว่าดีแต่มันแกขายโบสถกเลยที่บามันซืเสื้อซื้อหนังมันว่าสอยแต่เอาข้องว่านมันก็คิดเขามันซื้อว่าสอยมันซื้อว่าข้องดีหมายว่าเสื้อข้องกินเขามันมีคุณค่ามันก็ว่าสามารถเสี่ยงไปผูกข้อแขนข้อมันดอกเอานี้ต่นันมีเศรษฐีมันถึงจับว่าเป็นเสี่ยงเป็นข้อง บ่ดีบ่า ง, ง่ามบ่แต่เสียดีเสียดียังมันก็บ่เสียดายมันหายไปก็ดีนี่เขาคิดผิมากแน่แต่ท่านนัองเดียวกันคิอว่าตัวดีแล้ว่ามีท่างแกกไข้คิอว่าตัวสลัดแล้ว่ามีทา่ทานผิศึกษาเป็นเจ้าคนโง่ใส่ต้องค่อนตัวว่าเป็นคนสลดัดว่ามีร้านเาล่าสี่ เป็นหนักสาบบรรลิตได้แต่ค้นผ่านหายใจแล้วตัวเป็นคนผ่านคนโง่หาใจว่าตัวเป็นคนโง่ไม่ใใข้างถจะปั๊บฟุงยิตใจหายใจไม่ข้างบัรลิตได้ไม่ช่างสลาดได้ห้ามันบดิศตรวจตาที่แกหนะ้าเสี่ยขายยาเงินชี่อันนี้แปลว่าตัวดีก็คนอื่นแหละมันจะได้วงไม่ช่างแจกขาย ยากย่ยน่าต่างแต่ข้ามของตัวนัแหละหรือตัวมันเกิดกลินจากต่างแั่ข้ามต่างที่ข้ามเอาไว้โดนบันดาลให้บลเคยเห็นสวรรค์มีข้ามมันจะไปถูกตามตัวกิตสั่งไว้บลเคยเห็นผูกเข็นตะล่างเห็นของช้างมันจะไปถูกสังเอาไว้ มันไปถูกนกรกอายุีบ่อยากไปมันจะไปได้ให้ต่างจำชัวไว้ตากน่อยากแทงเขาจับกุมคุ้มชัวอยากแทเขา่าเขาแยงอยากให้เขาดึงเข่าคู่เขาตล่างมันบ่มีหอกลบดีขีบชัวย่ยังหนึ่เงเางว่าไป่นไปขีดเล้ลักไปขโมยลบ ดีกข่วนยันเขจำหนาจำตัวได้จะทิ้งกนนั่ยังกงยังดยี่ยงบ่ได้การทาชั่วไหวบ่าได้กับข้าวนึงบ่เสียวว่าคุกว่าแต่ร่างนี่เยดจะเห็นอยู่ตนเองน่ะเราเสือทาตัวเดีกแม่ลบอาีกับท่าน้องเยวกัน ท่านขินจะบตัวของตัวใหญ่ ไ, ปไปม่อยากไปก็ไดไปศาสตร์ดีแม่ตะวันสันสายแทาน้องเดียวกันเขาส่งเอาไหวเฮามีเชื่อว่าทำในใจมนม่ท่างสือเดไปก็จา้ิตใจก็เบิบานคิดใจกเดินชุกตรตาที่ใหน้ากัานท่ามการูกของตัว เป็นบ่อสวัวดเสียีความอาบบาศบ่ออาบลับลับเชิดจิตว่าบาทบ่อจิตบ่อพูดบ่อทำถือว่าบาศนั่นเป็นจิตเป็นไข้แล้วสบลม่มโมพ้วนแก่ตัวของตัวเรื่องกลัวบาเงทุกข์ให้โทษ บ่นี่ฮริโอสตาถ้าคือถ้าของเทวดาถ้ำขาวขวัญจีนี่ที่โอสตาถ้ำยังเดืไปที่สถานที่ดีขวัญป่านะบ่ถ้ำมันก็บ่ต้อเรดให้วนี้ผู้ใดเราป่านะขวัญัวป่นะควับ่ดีบ่ง่ายป่านะขวัญทุกข่อญเดือดยอน แต่การกระท่มของเฮ้าเข้าไว้ที่เจอหนา้าราชีนี่มันดีมันชัวเอาต้งจะคว่ำยากท้องใจยิดถูกยางไรยามันอันี้นเป็ยนายาหนึ่งปฏรับถูกรับโทษราชีนี่มันเป็นผลดีเหมือนมันดีนอยราชีนี่ผลผลวนั้นมากเข้าไว้ ใจกองพิจาราเหมือนกันก็บคนยิ่งคืนเนี่ยว่าเลยนี่คืขาดอำนายิ่งไปถึงนั้น